เสียงอ่านหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นโดยคุณหลวงและคณะ เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ใจของเราพุทธศาสนิกชนว่าหลวงตามหาบัวญานสัมปันโนเป็นเนื้อนาบุญของโลกในปัจจุบันสมัยเป็นนาบุญที่อุดมสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันบริสุทธิ์การที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสทันในสมัยของหลวงตานับได้ว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งเป็นวาสนาเป็นบุญที่ต้องใช้เวลาในการสั่งสมแม้เพียงสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราทั้งหลายจะได้มีโอกาสทำบุญไส่บาต กับท่านผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนาบุญของโลกในปัจจุบันคนรีบขวนขวายตักตรงเอาตั้งแต่บัดนี้บุญและอนิสงส์ที่จะเกิดนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเพราะท่านเป็นนาบุญอันวิเศษของโลกหรือเปรียบเป็นกลองใบใหญ่ที่ท่านสร้างขึ้นด้วยศีลสมาธิปัญญาอันบริสุทธิ์วิเศษกลองใบใหญ่จึงวิจิตงดงามพลังเสียงของกลองอันเปรียบกับการทําบุญของเราท่านทั้งหลาย ดังไกลายไปถึงสามแดนโล ก, กาธาตุแม้เหล่าเทวดาในชั้นฟ้าจะเวียนประทับอยู่ณส่วนใดในจักรวาลอนันตจักรวาลก็จะรับรู้ได้ถึงพลังแห่งเสียงกลองใบใหญ่นั้นและขอให้เชื่อมั่นเป็นที่สุดว่าเทวดาทั้งหมื่นจักรวาล น, นั้นจะร่วมกันเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลอันบริสุทธิ์ของเราท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนลงชื่อจันจัม ชื่อหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นพิมพ์ครั้งที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2551จำนวน 15,000 เล่มพิมพ์ครั้งที่สองมกราคมพุทธศักราช2552จำนวน 10,000 เล่มภาพ ป, ปกเกิกบุระยมนาคภาพประกอบคุณหลวงและเป็นไทยสว่างสี ผู้ดำเนินการจัดพิมพ์คุณหลวงและคณะพิมพ์ที่บริษัทสินสยามบรรจุพันธ์และการพิมพ์จำกัดโทรศัพท์02 444 3351 9พิมพ์แจกเป็นธรรมทานสงวนลิขสิทธิ์ห้ามคัดลอกตัดตอนหรือนำไปพิมพ์จำหน่ายหากท่านประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทานโปรดติดต่อที่คุณหลวงหรือคุณสุทัศน์ชาญวิเศษ 26ทับ368หมู่ที่6ถนนพหลโยทินแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุ่งเทพ10220โทรศัพท์ 02-531-1644-5